สิบสามเทรนต์กิจกรรมกิจกรรมมาท้าทำอะไรเธอเล่าให้มาท่าเธอทำงานในสำนักงาน คุณอาไปที่พักคุณทัวเธอทำงานด้วยคอมพิวเตอร์คุณอาไปที่บิ๊คอมพิวเตอร์มาท่าอยู่ที่ไหนอเออมาที่โรงหนังอิเธอกำลังดูหนังคุณเส p e t e อทำอะไรเดลวาพี <ever> Peter. เขากำลังศึกษาที่มหาวิทยาลายัย h ันเลสเซ์ปุอุนิเวอร์ิทเขากำลังเรียนภาษาฮันเลสเซ์สปรูปีเตอร์อยู่ไหนวอรอร์ปี ที่ร้านกาแฟาพวกกาฟเขากำลังดื่มกาแฟนไกาฟพวกเขาชอบไปไหนไปดูคอนเสิร์ตคอนร์พวกเขาชอบฟังดนตรี De kan godt lide at høre musik. p a u g e d e ikke lide at gå hen. På disco. På diskotek. Paugete ikke lide at danse.